แนะนําบทอะซุบรุบบทอะซุบรุบเป็นบทมักกิยามีแปสิบเกองค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงแหล่งที่มาของวาฮีและข้อจจริงของอัลกุรอานอาลัลลอฮ์ทรงประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นด้วยสำนวนที่ชัดเจนและข้อชี้แจงที่ชัดแจง้งทั้งนี้เพื่อเป็นปาฏิหาริย์ที่กระจายชัดแก่ท่านนาบีและชาวโลก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 และใช้เป็นฐานะบท น, นี้ได้กล่าวถึงสังคมสมัยยาฮิเรยาที่ใช้ชีวิตยอยู่กับการเชื่ออย่างงมงายและการบูชาจเวิตโดยที่พวกเขาเกลียดบุตรหญิงแต่ในเวลาเดียวกันก็ยัดเยียดบุตรหญิงให้แก่อัลลอฮ์ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาโดยอ้างว่ามาไลกาเป็นบุตรหญิงของอัลลอฮ์องค์การต่างๆได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเพื่อกระจัดความเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา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 บท น, นี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของมูซาที่ปลีกตัวออกจากการฟิร์เอาเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือฟิร์อาผู้มีความหยินยโสมีความภูมิใจและโอหังต่อมูซาในอำนาจการปกครองของเขาเช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของพวกชาฟูรเรสได้แสดงต่อท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัม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 ความเล่บแผลดังกล่าวได้ทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่เคลื่บเคลิ้มไปกับมันดังนั้นอเลสจึงประทานความดีในโลกนี้ส่วนในปะโลกอเลสจะไม่ประทานความดีให้คนชั่วโดวยเหตุ น, นี้คนดีและคนชั่วจะรับความดีในโลกนี้ส่วนในปะโลกนั้นอเลสจะไม่ประทานความดีแก่ผู้ใดนอกจากบวงเบาของตรงผู้ศรัทธาผู้ยำเรกรงเท่านั้นโลกนี้จะต้องพินาศสูญสลาย ส่วนประโลกนั้นจะอยู่ยงไปตลอดกาลด้วยพระนามของ All a ล l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมล ا ิตาบิลม م บีนฮามีมขอสาบานด้วยคำีร์อนทัดแจง ออนจลลลกุรรบยแท้จริงเราได้ทําให้มันเป็นคุารานภาษาอับเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจว่าอินนัู้ฟีอุมมิลคิทาบิละเดี๋ละเียนหัดีนและแท้จริงอัลกุรานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคําำพีณะที่เราคือสูงส่งพรั่งพร้อมด้วยสติปัญญา บบดัง น, นั้นจะให้เราหันเหนข้อตักเตือนนี้จากพวกเจ้าเสียทีเดียวเพราะพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผูฟฟ้ฝ่าฝืนกระนั้นหรือและกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ส่งนบีมาในชนชาติรุ่นก่อนก่อน และไม่มีนาบีคนใดที่ได้มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้ย่อเยอเยอเหยียดยามเขาฉะนั้นเราจึงได้ทำลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา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 และเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่และทรงทำให้มีเรือและปะตุสัตว์สำหรับพวกเจ้าใช้ขี่เป็นพาหนะ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 และเรานั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมมันได้และวแท้จริงเราต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอนและพวกเขาได้ต้างบางส่วนจากวงเ่าวของพรุง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 ه ه ه และเมื่อผูดด้ใดในห ح ู่พวกเขาได้รับข่าวตามที่เขาได้ตَ ل ًอุปมาّ وَجْهُهُ م ُ س ْ و َณาّ ا وَهُوَ كَظِيمٌ และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวตามที่เขาได้ตั้งอุปมาแต่ท่าผู้ทรงกรุณาใบหน้าของพวกเขาก็กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสลด และบุตรีผู้ที่ถูกเติบโตมาท่ามกลางเครื่องประดับและในการโตเถียงก็ไม่มีอะไรชัดแจ้งจะตั้งใจให้พวกนางเป็นภาชีต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือ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 และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสรงค์พวกเราจะไม่ทนรับส ก, การะมาลายกาดอกพวกเขาไม่มีความรู้อันใดในเรื่องนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการค่าขเนรเท่านั้นหรือว่าเราได้ประทานคำพีเล่มหนึ่งแก่พวกเขาก่อนหน้านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือคำพีนนั้นไว้อย่างมั่นคงกล่าวเลยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ ดังนั row, ้นเราจึงดาเนินตามแนวทางของพวกเขาเท่านั้น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 ดังนั้นเราได้ตอบแทนพวกเขาแล้วจงดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้นจะเป็นเช่นไรแะอิบราฮิมีให้พ่อและพวกพ้องของเขนพบดว่าฉมนเปนผู้ที่จะไม่ยอมรั และจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮิมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้นเพอาแท้จริงพระองค์จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่ฉัน และขาอิบรอฮิมได้ทำให้คำกล่าวสหดาอยู่คงต่อไปในลูกหลานของเขาหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสมนึกผิด ยิ่งกว่านั้นข้าได้พวกเขาเหล่านั้นและบรรพบุรุษของพวกเขาหลงระเลยอยู่จนกระทั่งได้มีสัจธรรมอัลกุรอานและรอซูลผู้ประกาศศารอย่างชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาขณะเมื่อศัจธรรมได้มาอย่างพวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่านี่คือมาอยากลและแท้จริงพวกเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัจธรรมนั้นและพวกเขากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชายผู้มีความสำคัญแห่งสองเมือง น, นี้ล่ะ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضه بعض ا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع.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 وَلَوْلاَ أَيَّتُنَا النَّاسُ أُمَّتَ و ا ح د َ ة ل ج ع ل ْ ن ا ل م َ ي َ ك ْ ف ُ ر ُ ب ِ ا ل ض ّ ح ْ م َ ن ِ ب ُ و ت ِ ه ِ م ْ ل َ ج ع ل ْ ن ا ل ِ م َ ي ِ يَكْفُرُ ب ِّ ح ْ م َ ا ن ِ ب ُ ي و ت ِ ه م ْ س ُ ق ف ً ا مِنْ ف ِ ض ّ ة و َ م َ ع َ ا ر ج َ عَلَيْهَا يَظْهَرُ และหากมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วแน่นอนเราจะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณามีบ้านของพวกเขาหลังคาทำด้วยเงินและบันไดที่พวกเขาขึ้นก็ทำด้วยเงิน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 และพุทธิ์ได้พิลลังจากการนำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาเราจะเตรียมชายตอนตัวหนึ่งไว้ให้แก่เขาแล้วมันจะเป็นสาหายของเขา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 ถ้าระวังฉันกับเจ้ามีระยะห่างกันเช่นพิทวนันออกกับพิทวันตกก็จะดีสหายเหล่านี้ช่างชั่วช้าแทบแท้และในวันนั้นจะไม่เกิดผลอันใดเลยแก่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าได้อาธรรมแม้ว่าพวกเจ้าจะมีหุ้นส่วนร่วมกันในการรับโทษก็ตา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 ดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกองค์การลงมาแก่เจ้าถ้าจริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางอันงเพียงตรงและถ้าจริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนสําหรับเจ้าและสําหรับกลุ่มชนของเจ้าและพวกเจ้าจะถูกสอบสวน ا أ และเจ้าจงถามผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้าจากบรรดาศาสนาทูตของเราว่าเราได้ตั้งพระเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณา รบูชาและโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพราอด้วยสัญญาณต่างๆของเราไปยางฟิราปแล้วและบรรดาผู้นำของเขาแล้วเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตแห่ง ูอบิบาลแทโลโล่านเมื่อเขามูสาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและพวกเขาผู้หัวเราะเยาะต่ อ, อสัญญาณนั้นๆ และเราไม่ได้แสดงสัญญาณอันใดแก่พวกเขาเว้นแต่ว่าแต่ละอันจะยิ่งใหญ่กว่าอีกอันหนึ่งและเราได้ฆ่าพวกเขาด้วยการลงโทษหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمُهتدون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 เมื่อนั้นพวกเขาพอผิดสัญญ า, าดะา ฟ, ฟ, ฟิร์อัลได้ประกาศท่ามกลางกลุ่มชนของเขาเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน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 ا أ ถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมไม่สวมกำไรทองให้แก่เขาล่ะหรือมีมาเลาย์กาติดตามมาอยู่กับเขา ด้วยเหตุนี้ฟิราวได้หลอกลวงกลุ่มชนของเขาแล้วพวกเขาก็เชื่อฟังเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้่าฝืนเมื่อพวกเขาได้ทำให้เราเคริ้วเราได้ตอบแทนพวกเขาอย่างสาสม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 ดูสิกลุ่มชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยความขุม่นขันและพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขาอีซาพวกเขาไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้แก่เจ้าเพื่ออื่นใดนอกจากการโต้เถียง ยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วยเขาอิสราไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราอัลลอฮ์ได้ความโปรดปารานแก่เขาและเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานอิสราอยล และหากเราประสงค์เราจะให้มีมาลายกาขึ้นจากใหมู่พวกเจ้าให้เป็นผู้เสิบช่วงในทผ่นดินนี้。 และแท้จริงเขาอีซาแน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งวันอาวสานแต่นั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงและอย่าให้ชัยตอนมาขัดขวางพวกเจ้า แค่จีนมันเป็นศัตรูตรัวฉกาจของพวกเจ้าแต่เมื่ออิายาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดเจน เขากล่าวว่าแน่นอนฉันได้มาหาพวกเจ้าพร้อมด้วยบทบัญญัติแห่งคําพี่อินยินและเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าให้กระจางแจ้งในบางเรื่องที่พวกเจ้าขัดแย้งกันแต่นั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามเส้นเถิอินนัลลอฮฺวารับบีวะรับบุคุมฟะฮุดูฮะดะซิราตุนมุสต์กิม แท้จร <Oops. S 1> ิงอลอฮนั้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกจักรดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิดนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงนิกายต่างๆได้ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขา ดังนั้นความพยนะจงประสบแก่บรรดาผู้อาถรรพเนื่องด้วยการลงโทษแห่งวันอันเจ็บปวด